วนันผ่านๆไปอีกสองปีรวมเวลาที่หนุ่มเจริญมาอยู่บางเกอกสี่ปีกลับไปเยี่ยมยายเพียงครั้งเดียวและคืนเดียวหากก็เป็นการกลับที่คุ้มค่าเพราะได้สมบัติมากมายมีทั้งเงินและทองคํารวมมูลค่ากว่าร้อยช่างป่านนี้ป้าเหรียญคงขายสมบัติที่เป็นส่วนแบ่งเหล่านั้นหมดไปแล้ว เพื่อนำเงินไปซื้อเหล้ากินหรือถ้าไม่หมดก็คงเหลือน้อยเต็มทีหนุ่มวัยี่สิบออกสองสารผู้เป็นป้าที่ติดเหล้า ง, งามแงมจนกลายเป็นาธาตุของมันนึกถึงสมัยที่ตัวเขาเองติดการพนันจนถึงกับคิดจะลักขุดสมบัติของยายไปขายถ้าเทวดาไม่ช่วยย้ายไปไว้ที่ป่ากระชายสมบัติเหล่านั้น ก็คงวอดวายด้วยน้ำมือของเขาอบายามุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดื่มสุราหรือเล่นการพนันล้วนนำมาซึ่งความย่อยยับแห่งโพคทรัพย์ทั้งสิน้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนช่างเป็นสัจธรรมท้าทายต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อถึงจะเกลียดพระแต่นั่นมีได้หมายความว่าเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ก็ยายไม่เคยเรียนหนังสืออย่างเชื่อตัวเขาเคยเรียนพุทธประวัติเรียนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และนำไปใช้ได้ผลมาแล้วโดยเฉพาะคาถากรณียะเมตสูตรซึ่งได้ผลทันตาเห็นเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้ช่วยให้คุณประพ์สมหวังในความรักกับลูกสาวข้าหลวงจังหวัดทนบุรี คุณบุญพร้อมเป็นสตรีสาวสวยวัย18ปดตาดำผมดำตัดกับสีผิวที่ขาวราวกับดอกมะลิคุณประพศคลั่งคล้ายไหลหลงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพร่ำรำพันถึงความงามของคุณบุญพร้อมว่าเช่งเหมือนกับนางในวรรณคดีที่ชื่อสกุลตลาซึ่งกวีได้พรรณน า, นา ถ, ถึงความงามไว้ว่าดูผิวสินวลละอองอ่อน มลิซ้อนดูดำไปสิ้นสองเนตรงามกว่ามารุคินนางนี้เป็นปิ่นโลกาส่วนคุณบุญพร้อมนั้นจะมีเยื่อใยไมตรีให้คุณประพร์ก็หาไม่คงจะคิดว่าตัวเองสวยและสูงสักมีบุรุษไม้ปองหลายคนจึงออกจะยิ่งยิ่งหนุ่มเจริญทนไม่ได้เมื่อเห็นคนที่เป็นทั้งเพื่อนและญาติ หายพร้อมหมดสง่าราศีจึงสอนคุณประพ์ให้สวดคาถากรณียะเมตสูตรทุกคืนและเมื่อพบหน้าคุณบุญพร้อมก็ให้ท่องในใจเฉพาะบทที่ว่าเมตันจะสัพโโล ก, กสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังแม้ไม่เชื่อแตว่าคุณประพ์ก็ทำตามด้วยเห็นว่า ไม่มีทางอื่นให้เลือกผลปรากฏออกมาว่าช่วระยะเวลาเดือนเดียวคุณบุญพร้อมก็ยอมทอดไมตรีให้หลานชายหลวงทาราคุณประพน์เริ่มมีความหวังหากก็ยังมีอุปสรรคเพราะท่านข้าหลวงหวงลูกสาวราวกับงูจงอางหวงไข่คุณประพน์จึงได้แต่ไปเดินวนรอบรอ บ, รอบโรมบ้านกระนั้นก็ถูกสุ น, นัขสามตัวที่ท่านข้าหลวงเลี้ยงไว้ วิ่งกรูกันเข้ามาจะ ก, กัดจนชายหนุ่มต้องวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงหนุ่มเจริญผู้สันทัดในอุบายทั้งปวงจึงขันอาสาไปด้วยเมื่อสุนัขวิ่งเข้ามาคนเจ้าอุบายก็โยนลูกชิ้นเนื้อไปให้มันทำอย่างนี้อยู่สามครั้งเจ้าสุนัขดุสามตัวก็ยอมเป็นมิตรด้วยครั้งที่สี่พอเห็นเข้ากับคุณประพ์เดินมาแต่ไกล พวกมันต่างพากันวิ่งมารับหน้าและคงจะถามตามภาษาสุนักว่าวันนี้เอาลูกชิ้นมาฝากหรือเปล่านอกจากนี้วันใดที่ท่านข้าหลวงและคุณนายไม่อยู่บ้านเจ้าสามตัวก็จะวิ่งนำสองหนุ่มเข้าไปส่งถึงห้องคุณบุญพร้อมถ้าใครฟังภาษาสุนัขเป็นก็จะยินมันพูดว่าเข้ามาเถอะผมจะพาส่งถึงห้องนายเลย พ่อแม่เข้าไปทุระข้างนอกพวกผมจะช่วยดูต้นทางให้ด้วยเหตุนี้คุณประพ์ดึงคลายโศกกลับมามีความสุขดังเดิมและดูจะมากกว่าเดิมเสียอีกช่วยเวลาสองปีเศษที่หนุ่มเจริญมาอยู่ด้วยคุณโกสุลทั้งรักและเมตตาชายหนุ่มและที่เหนือกว่าความรักก็คือ เธออยากได้เขาไว้เป็นบุตรเขยถ้าแม่รัตนาของเราได้แต่งงานกับพ่อเจริญดีฉันคงตายตาลับพ่อหนุ่มคนนี้หากผู้หญิงคนใดได้เป็นสามีก็กเย็นใจได้หรือคุณพี่จะว่ายังไงคุณโกสุมปรารค ก, กับครูสอนในเย็นวันหนึ่งแล้วแต่แม่โกสุมเถอะข้างฝ่ายฉันไม่ขัดข้องหรือขัดขวาง แต่ก็ขอเตือนว่าอย่าให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนักครูสอนบอกกับพัญญาน่าเกลียดยังไงคะก็ฝ่ายาเราเป็นผู้หญิงไปแส ด, แดงออกหน้าออกตามากไปมันไม่งามแม่รัตนาแกจะคิดว่าเราสองคนทำอะไรน่าเกลียดจะน่าเกลียดหรือน่ารักเราก็ทำเพื่อแก ดีฉันว่าลูกคงไม่กล้าคิดอย่างนั้นคุณโกสุมเข้าข้างตัวเองว่าแต่ว่าเด็กเขาชอบพอกันหรือเปล่าฉันไม่อยากให้เป็นการคลุมทุ้งชนเราต้องให้โอกาสเขาเลือกด้วยตัวของเขาเองข้อนั้นดีฉันก็เห็นด้วยพาอเจริญเธอเป็นคนกระตันอยู่รู้คุณเมื่อรู้ว่าเป็นความประสงค์ของเราก็คงไม่ขัดข้อง แม่รัตนาของเราก็เช่นกันแต่ถ้าเด็กไม่เดียวรักชอบกันก็เท่ากับไปบังคับเขาในฐานะผู้ใหญ่ฉันว่าเราจับตาดูไปเงียบๆดีกว่าถ้าคนเขาเคยประทับคำจุนกันมาก็คงไม่คลาดแคล้วต่อกันครูสอนพยายามวางตัวเป็นกลางถ้าเช่นนั้นก็ตามใจคุณพี่ก็แล้วกัน ดิฉันเป็นช้างเท้าหลังจะพูดจะตัดสินใจอะไรก็ต้องแล้วแต่คุณพี่พัญญาพูดแกลมประชดครูสอนไม่ใส่ใจกับคำประชดประชันหากพูดเป็นการเป็นงานว่าสิ่งที่ฉันเป็นห่วงคืออาชีพของพ่อเจริญจริงอยู่เธอเก่งทางดนตรีไทยและสามารถยึดเป็นอาชีพได้ แต่แม่โกสุงก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยพากันไม่นิยมดนตรีฝรัง่งในอนาคตพวกนักดนตรีไทยอาจจะตกที่นั่งลำบากฉันจึงอยากให้เธอมีอาชีพหลักแม่โกสุงจะว่าอย่างไงหากฉันจะฝากเธอเข้าเรียนตำรวจก็ดีนี่คะแม่รัตนนาของเราจะได้เป็นคุณนายดีฉันเชื่อว่าพ่อเจริญจะเป็นตำรวจที่ดีและซื่อสัตว์ว่าแต่ว่า คุณพี่มีพักพวกพอที่จะฝากฝังได้หรือคะฉันว่าจะพาไปฝากกับจอมพลแปลกกดฉันเคยรับใช้มาตั้งแต่ท่านเป็นพันตรีพิบูลสงครามท่านเป็นคนใจดีคงจะไม่ปฏิเสธอีประการหนึ่งคนของเราก็มีคุณสมบัติครบถ้วนฉันว่าท่านจะดีใจเสีย อ, อีกที่จะได้คนดีไว้รับใช้ชาติบ้านเมืองดังนั้น หนุ่มเจริญจึงถูกเรียกเข้าไปพบครูสอนในตอนเย็นของวันรุ่งขึ้นโคดเจริญอยากเป็นตำรวจไหมหนุ่มวัย2ี่สิบอยากจะตอบว่าไม่แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจถามผู้เป็นครูว่ามีอะไรหรือครับคือฉันเห็นว่าเธอน่าจะมีอาชีพหลักที่สามารถเลี้ยงตัวได้ตลอดไป ผมก็ตั้งใจจะยึดอาชีพเล่นดนตรีไทยและถ้ามีความชำนาญมากขึ้นก็จะรับสอนด้วยหนุ่มวัยยี่สิบบอกความประสงค์แต่เธอก็รู้ว่าวิชานี้กำลังลดความสำคัญลงไปเพราะคนเขาหันไปสนใจดนตรีฝรั่งกันฉันกลัวว่าต่อไปในอนาคตเธอจะลำบากจึงอยากให้มีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้ ฉันคิดจะพาเธอไปฝากจอมพลแปลกเพื่อให้เรียนตำรวจได้ยินชื่อจอมพลแปลกซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหนุ่มเจริญหัวนึกถึงเพลงพันตรีพิบูลสงครามซึ่งเขาร้องติดปากสมัยเมื่อเป็นเด็กพันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามยกเป็นนามชาติไทยเกียรติศักดิ์อันสูงสง่ง อย่าลืมบันพบุรุษของไทยพันตรีพิบูนสงครามครูรู้จักท่านหรือครับคนถามตื่นเต้นระคนดีใจรู้จักสิท่านเป็นคนดีมากเป็นวีรบุรุษของชาติเท่วนะเมื่อก่อนฉันเป็นทหารอยู่กับท่านแล้วลาออกมายึดอาชีพสอนดนตรีไทยแม่โกสงเขาไม่อยากให้ฉันเป็นทหารเขากลัวว่า เวลาออกศึกสงครามคงจะเป็นห่วงจนไม่เป็นอันกินอันนอนฉันก็เลยต้องตามใจเขาครูสอนเล่าถึงความเป็นมาของตนครูจะพาผมไปเมื่อไรครับถามอย่างกระตือรือรน้นมิใช่เพราะอยากเป็นตำรวจท่ว่าอยากพบเวรบุรุษของชาติที่เขาแอบชื่นชมสมนัตมาแต่ครั้งยังเป็นเด็ก รุ่งนี้เช้าเลยดีไหมเธอว่างหรือเปล่าว่างครับชายหนุ่มตอบแต่แรกคิดว่าจะไปหาคุณประพ์หากก็ต้องเปลี่ยนใจด้วยไม่อยากทำให้ครูสอนผิดหวังหากเขาผัดพรบ้านจมพลแปลกอยู่อำเภอพญาไทย เช่นเดียวกับบ้านครูสอนหากก็ต่างกันตรงที่บ้านของนายกรัฐมนตรีอยู่ใจกลางเมืองขณะที่บ้านครูสอนอยู่ลึกเข้าไปในสวนการเข้าหาคนสําคัญระดับชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องมีการสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนต้องการพบท่านด้วยเรื่องอันใดครูสอนต้องตอบคําถามเหล่านี้จนชายหนุ่มที่มาด้วย รู้สึกเกรงใจที่เป็นต้นเหตุทำให้ครูของตนต้องยุ่งยากจึงพูดขึ้นว่าครูครับผมว่าเรากลับกันดีกว่าผมไม่เป็นตำรวจก็ได้แต่เย็นๆ น, นะพลเจริญท่านเป็นคนใหญ่คนโตการจะพบใครก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเอาเถอะเมื่อเธอได้เป็นตำรวจ ก็จะเข้าใจเองว่าทำไมถึงต้องเป็นเช่นนี้ครูสอนอธิบายครูใหญ่บุรุษทั้งสองก็ได้เข้าไปนั่งรอในห้องรับแขกซึ่งค่อนข้างโอดโถงทหารรับใช้นำน้ำเย็นมาให้ดื่มสิบนาทีต่อมาจอมพลแปลกก็ออกมาให้พบครูสอนกับชายหนุ่มคลานเข้าไปกราบเจ้าของบ้าน ซึ่งยกมือขึ้นรับไหว้และบอกให้คนทั้งสองนั่งบนเก้าอี้ไปยังไงมายังไงแล้วแม่โกสุมสบายเดียวหรือสบายดีขอรับเธอคงดีใจที่ใต้เท้ายัางจำเธอได้ครูสอนพูดอย่างยินดีปรีดาที่คนเป็นนายกรัฐมนตรียังจำเขาและพัญญาได้แล้วนี่พาใครมาด้วยละ่ะลูกชายหรือไม่ใช่ขอรับ เขาจืดนายเจริญจะริญรัตเป็นลูกศิษย์ของกระผมอ๋อท่านพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้แล้วจึงถามอีกว่าเป็นอะไรกับหลวงทาราหนุ่มวัยยี่สิบรู้สึกใจพองรับอกที่ผู้นำของชาติรู้จักคุณปู่ของเขาจึงตอบด้วยเสียงที่ค่อนข้างสั่นว่าเป็นหลานชายกอรับคุณพ่อของกระผมเป็นบุตรของท่าน งั้นหรือคุณหลวงท่านตีระนาดเก่งมากทราบว่าเคยตีระนาดถวายในหลวงรัชกาลที่หกเวลาที่พระองค์ทรงโขนอย่างนั้นใช่ไหมคุณพ่อก็เคยเล่าให้กระผมฟังอย่างนี้ขอรับชายหนุ่มตอบแล้วเธอละ่ะดำเนินรอยตามคุณปู่หรือเปล่าท่านถามอีกพอเจริญเขาก็มีฝีมือไม่แพ้คุณหลวงเลยขอรับใต้เท้า ความจำก็เป็นเลิศกระผมต่อเพลงแขกลบบุรีให้เที่ยวเดียวเขาก็จำได้และเล่นได้อย่างไพเราะเพราะพริง้งครูสอนชมผู้เป็นสิทธ์ซึ่งเท่ากับชมตัวเองในเวลาเดียวกันคุณปู่ท่านยกวงปีพาดครึ่งคู่กับมโหรีวงเล็กให้เป็นมรดกกระผมขอรับกระผมตั้งใจว่าจะเลี้ยงชีพโดยการเล่นและสอนดนตรี แต่ครูอยากให้กระผมเป็นตำรวจขอรับชายหนุ่มพาวกเข้าสู่ธุระของตนครูสอนจึงต้องอธิบายสาเหตุที่อยากให้เขาเป็นตำรวจแล้วสรุปลงด้วยการขอความช่วยเหลือกระผมจึงต้องพามาขอความอนุเคราะห์จากใต้เท้าฉันคงช่วยได้ไม่มากนายสอนก็รู้ว่าฉันมีตำแหน่งเป็นผู้นําประเทศชาติ จะต้องรักษาความยุติธรรมถ้าผู้นำเกิดความลำเอียงซยแล้วใครก็จะนับหน้าถือตาคิดว่านสอนคงขดใจและเห็นใจช น, นะบุรุษสองคนที่ฟังอยู่เกิดความนึกคิดที่แตกต่างกันคนมากวัยกว่าเข้าใจว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตนั้นย่อมจะไม่ตกปากรับคำกับใครง่ายๆหากเขาก็มั่นใจว่าท่านจะต้องช่วย คนอย่างท่านไม่เคยทิ้งลูกน้องเรื่องนี้เขารู้ดีส่วนหนุ่มเจริญคิดว่าท่านไม่ช่วยและเขาก็เห็นด้วยกับเหตุผลที่ท่านยกมาอ้างเขาไม่อยากเป็นตำรวจอยู่แล้วจึงไม่รู้สึกผิดหวังในการมาครั้งนี้กลับดีใจที่บุญพาวาสนาส่งให้ได้มาพบวีรบุรุษของชาติผู้มีบุคลิกงามสง่าชวนมองน้ำเสียงที่พูดเฉียบขาด แบบทหารหากก็แฝงไว้ด้วยเมตตาปราณีไม่ทราบว่าเขาจะเปิดสอบกันเมื่อไรใต้เท้าพอจะทราบไหมขอรับครูสอนถามคงเป็นเดือนหน้ากระมังเอาเป็นว่าฉันจะช่วยส่งข่าวเรื่องนี้ให้ส่วนการสอบเธอต้องใช้ความสามารถของเธอเองประโยคหลังท่านพูดกับหนุ่มน้อยวัยยี่สิบ ขอรับกระผมจะพยายามสอบเข้าให้ได้ใช่หนุ่มรับคำจากนั้นทั้งครูและลูกศิษย์จึงพากันลา ก, กลับครั้นเดินออกมาพ้นรามีของบ้านแล้วคนเป็นศิษย์จึงพูดขึ้นว่าจอมพลแปลกท่านเป็นคนตรงดีนะครับผมดีใจที่ท่านแม้รับปากว่าจะช่วยผมเรื่องสอบ แต่ฉันว่าท่านต้องช่วยคนเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ตกปากรับคำใครง่ายๆหรอกต่อไปในวันข้างหน้าเกิเธอได้เป็นใหญ่เป็นโตจงเอาเยี่ยงอย่างท่านอย่าเที่ยวไปรับปากคำใครเขาเพราะหากทำไม่ได้อย่างที่พูดก็จะเสียคนเรื่องนี้สำคัญมากอีประการหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอก็คือจงรู้ธรรมชาติของมนุษย์ว่าถ้าเขาเพึ่งเราได้ เขาก็ว่าเราดีแต่ถ้าเราให้เขาพึ่งไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเธอจงอย่าวันไวในโลกธรรมใครเขาจะว่าเราดีหรือว่าเราชั่วก็ชั่งจงมันตรวจสอบตัวเองเป็นนิดหากมีอะไรที่บกพร่องก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่าไปหลงติดอยู่กับคำสรรเสริญเยินยอครับผมจะจดจำและนำไปปฏิบัติ ผมอยากเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองชายหนุ่มพ <term> ูดหนักแน่นท like ั้งน้ำเสียงและกริยาท่าทางเมื่อคนทั้งสองกลับไปแล้วนายกรัฐมนตรีจึงเขียนหนังสือถึงอธิบดีกรมตำรวจให้แจ้งเรื่องกำหนดการสอบเข้าเรียนในหลักสูตรนายตำรวจมีข้อความตอนหนึ่ง พูดถึงหนุ่มจเจริญว่านายเจเริญจรุนรัตหลานชายหลวงทาราจะเข้าสอบในครั้งนี้ด้วยขอให้ท่านอธิบดีช่วยดูแลเรื่องคะแนนว่าได้หรือตกหากตกก็ให้บอกวิชาที่ตกด้วยเพื่อที่เขาจะได้ปรับปรุงตัวเองในการสอบครั้งต่อไปเมื่ออธิบดีอ่านหนังสือของนายกรัฐมนตรีจบลงก็บอกตัวเองได้เดี๋ยวนั้นว่า คนที่ชื่อนายเจริญจรุนรัตจะต้องสอบผ่านจะตกหรือได้ก็ต้องผ่านโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น